พระไตรปิฎกฉบับประปราชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สี่สิบเจ็ดวีมังกสูตรสูตรว่าด้วยภิกษุผู้พิจารณาสอบสวนสำหรับพระสูตรนี้นับเป็นสูตรประหลาดพระสอนสาวกให้สอบสวนพิจารณาในพระผู้มีพระภาคเองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสอนให้คอยจับผิดพระองค์เองซึ่งแสดงว่าพระองค์ทรงเปิดเผย และแน่พระหาฤทัยในความบริสุธทธิ์ผุด่องจริงพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสถึงภิกษุผู้ไม่รู้เรื่องจิตใจของผู้อื่นควรทําการสอบสวนในตถาคตเพื่อรู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือไม่ภิกษุทั้งหลายขอร้องให้ทรงอธิบายจึงตรัสขยายความต่อไปว่าภิกษุ ผู้พิจารณาสอบสวนเมื่อไม่รู้เรื่องจิตใจของผู้อื่นคือไม่มีอำนาจจิตที่จะรู้จิตใจของผู้อื่นได้ควรทำการสอบสวนในตถาคตในธรรมะสองอย่างคือในธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางตาและทางหูหมายถึงกิริยาอาการหรือถ้อยคำใดๆที่พึงใช้ตาใช้หูสังเกตสอบสวนได้พึงสอบสวนในตถาคตว่า ธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางตาและทางหูที่เศร้าหมองที่ปนกันคือดีบ้างชั่วบ้างของตถาคตมีหรือไม่มีก็จะทราบว่าไม่มีเมื่อสอบสวนยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านผู้นี้สมบูรณ์ด้วยกุศลธรรมนี้มานานแล้วหรือพึ่งสมบูรณ์ด้วยกุศลธรรมนี้เมื่อเร็วๆนี้เองก็จะทราบว่าสมบูรณ์มานานแล้วไม่ใช่เพึ่งสมบูรณ์เมื่อเร็วๆนี้ เมื่อสอบสวนยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าภิกษุผู้เป็นศาสดาของเรานี้ถึงความเป็นผู้มีคนรู้จักมียศในการนี้ท่านมีโทษบางอย่างหรือไม่ภิกษุบางรูปยังไม่มีโทษเกิดขึ้นตราบเท่าที่ยังไม่ถึงความเป็นผู้มีคนรู้จักมียศพอถึงความเป็นผู้มีคนรู้จักมียศก็มีโทษบางอย่างเกิดขึ้นเช่นเห่เหิมถือตัว เธอสอบสวนอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าภิกษุนี้ถึงความเป็นผู้มีคนรู้จักมียศแต่ก็ไม่มีโทษบางอย่างเมื่อสอบสวนยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้เว้นความชั่วไม่ใช่เพราะกลัวเว้นความชั่วเพราะกลัวก็หาไม่ได้คือเว้นโดยอัธยาศัยสูงคุณธรรมสูงไม่ใช่เพราะกลัวถูกติเตียนเป็นต้นย่อมไม่เสพกาม เพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเพราะสิ้นไปแห่งราคะใช่หรือไม่ก็จะรู้ว่าท่านผู้นี้เว้นความชั่วไม่ใช่เพราะกลัวเว้นความชั่วเพราะกลัวก็หาไม่ได้ย่อมไม่เสพกามเพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเราะสิ้นไปแห่งราคะถ้ามีผู้อื่นถามภิกษุผู้สอบสวนว่ามีอาการอะไรมีข้อที่รู้ได้อะไร ที่ทำให้กล่าวว่าท่านผู้นี้เว้นความชั่วไม่ใช่กลัวเป็นต้นถ้าเธอจะตอบให้ชอบก็ตอบว่าท่านผู้นี้อยู่ในสงฆ์หรืออยู่แต่ผู้เดียวท่านก็ไม่ดูหมิ่นภิกษุที่ดีที่ชั่วที่บริหารหมู่คณะที่ติดอามิ t ท, ที่ไม่ติดอามิ t h ข้หนึ่งข้าพเจ้าได้ฟังมาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคถึงพระดำรัสที่ว่า เราเว้นความชั่วไม่ใช่เพราะกลัวเราเว้นความชั่วเพราะกลัวก็หาไม่เราไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะเพราะสิ้นไปแห่งราคะดังนี้สำหรับข้อที่ว่าไม่ดูหมิ่นภิกษุทุกประเภทไม่ว่าดีหรือเลวนั้นอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคมีพระอริยสม่ำเสมอในบุคคลทั้งปวงเช่นในพระเทวทัตผู้คิดฆ่าและในพระราหุล ผู้เป็นโอรสเธอพึงถามตถาคตถึงธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้ามองอันปนกันคือดีบ้างชั่วบ้างอันผ่องแพ้วว่าธรรมะเหล่านี้ของตถาคตมีหรือไม่เมื่อตถาคตจะตอบก็พึงตอบว่าไม่มีธรรมะที่เศร้ามองและที่ปนกันแต่มีธรรมะที่ผ่องแผ้ว นั่นเป็นทางเป็นที่โคจรของเราแต่เราก็ไม่ได้มีความทยานอยากเพราะคุณธรรมนั้นสาวกจึงควรเข้าไปหาสัสดาผู้กล่าวอย่างนี้เพื่อฟังธรรมะสัสดาย่อมแสดงธรรมะฝ่ายดำฝ่ายขาวฝ่ายที่มีส่วนเปรียบเทียบประณีดยิ่งยิ่งขึ้นไปแกเธอเธอรู้ยิ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะที่แสดงนั้น ยอมถึงความตกลงใจในธรรมะทั้งหลายเรื่อมใส่ในศัสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วถ้ามีผู้ถามภิกษุผู้สอบสวนนั้นว่ามีอาการอะไรมีข้อที่รู้ได้อะไร เป็นเหตุให้กล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยอย่างนั้นจะตอบให้ชอบก็พึงตอบว่าเรากเข้าไปฟังธรรมะและได้รู้ยิ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะที่แสดงนั้นดังกล่าวแล้วตรัสว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งลงในตถาคตเป็นศรัทธาที่มีรากเป็นศรัทธาอันตั้งมั่นด้วยอาการด้วยบท ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ศรัทธาของผู้นั้นเรียกว่ามีอาการอันดีมีความเห็นจริงเป็นมูลเป็นศรัทธาอันมั่นซึ่งสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกพึงนำไปหรือจูงไปที่อื่นไม่ได้นี่แหละคือการสอบสวนธรรมะในตถาคตและตะถาคตก็เป็นอันสอบสวนดีแล้วโดยธรรม